ตรงนี้ผมมันนึกขึ้นได้ว่ามีมีการสอนอาจาบอกเอ้วิจิกิจฉานี่นะจริงๆแล้วต้องสงสัยในความเป็นปรามัตดอ๋ออผมผมผมนึกขึ้นมาได้โอ้แปลกนะไม่เคยกไม่เคยเห็นที่ไหนกันว่าสงสัยปรามัดไงมันอย่างไงกันแนะ่ <laughs> ก็โดยอัดมันก็ได้นะแต่ว่ามันต้องอธิบายเยอะมาก ว่าสงสัยในขันธน์ธาตอายตนาหรือเงนินว่ารตรงๆก็คือสงสัยในพระพุทธเจ้าอสวงก็สงสัยในพระธรรมสสามสงสัยในพระสงอ์สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงโดยปรมาทัศน์นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่มีอยู่จรงิจองอันนั้นคือคือสายที่ว่าปรมาัศน์คือจิตเจตสิกรูปมันก็จะคิดให้มันเหลือจิตเจตสิกรูปนะแต่จริงๆแล้วคําว่าปรมัตน์ในพระไตรปิฎก จริงๆอ่ะเป็นคําที่หมายถึงขันอายตนะเป็นต้นแต่ทีนี้อ่ะถ้าตัทธัพุตตาพิธ ร, รมมาธาจะตุธาประมะัตตโตอ่ะนั้นอันนั้นหมายถึงว่าเนื้อความในอภิธรรมปิดกอ่ะถ้าจะว่าโดยย่อคือจิตเจตสิกรูปนะถ้าจะกล่าวโดยเนื้อหาจริงๆอ่ะคือจิตเจตสนะิกรูปเหมือนกนอันนะก็ก็มาจากคําว่าประอันนะประมะจะไม่บวกอัฏฐะก็กลายเป็นเนื้อความที่ เนื้อความแท้ๆนะของอะไรตัทธัุตตาพิธรรมมัธาก็คือในพระอภิธรรมปิดกเนื้อความแท้ๆหมายถึงจิตจิตเจตสิกรูปและนิพพานน่ยนะก็จุดประสงค์ว่าที่ท่านมาแต่งคำภีนี้เพื่อสะดวกที่นักศึกษาจะได้เรียนนะนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าโหไปที่ไหนก็เอาไอ้ตัดธาพุตตาพิธรรมธามจตุธาปรมัตโตเนี่ยไปแก้ทุกเรื่องเลย แปลกที่ว่าถ้าเกิดสงสัยจิตเกิดสงสัยยังไงนี่นนึกไม่ออกเลยครับหนึ่งนะสงสยัสงสยใ น, ในพระพุทธเจ้าสองพระธรรมสามพระสงฆ์อ่ะนะสี่สิขาห้าอาดีตหกอนาคตานี่นะเจ็ดก็ อดีตและอนาคตคือบางคนเนี่ยสงสัยอย่างเดียวใช่ไหมบางคนสงสัยแต่อดีตอย่างเดียวบางคนสงสัยแต่อนาคตอย่างเดียวบางคนเนี่ยเอาทั้งสองอย่างเลยและก็อย่างที่แปก็คือสงสัยในปฏิจจสมุปบาทบาทีนี้คำว่าอดีตเ่ยจริงๆของอดีตคืออะไร จริงๆของอดีตทั้งหมดก็คืออันนี้เราพูดแบบคนมีการศึกษานะพูดแบบคนมีการศึกษาว่าจริงๆแล้วถ้ากล่าวโดยประมัดแท้จริงแล้วมันจะอดีตนนะมันจะอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามก็คือสังขารธรรม นนะก็คือสังขารธรรมสังขารธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีขันอายตนะธาตุนนะพวกนี้แหละที่เรียกว่าทีนีไไ้ไอ้สิ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันคือขันอายตนะธาตุเหล่านี้เป็นที่อาศัยของบัญญัติโดยเฉพาะบัญญัติว่า สัตว์คาว่าบัญญัติตรงนี้ก็คือโวหารเป็นที่ตั้งแห่งโวหารเป็นคําเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลถ้าเมื่อจําแนกแจกแจงให้ละเอียดดีแล้วก็จะคือขันที่เป็นอดีตถ้าอนาคตก็คือขันอย่างนั้นแหละปัจจุบันก็คือคือขันแต่ที่นี้พวกที่สงสัยเนี่ยมันไม่ได้สงสัยที่ตัวขัน มันสงสัยแบบรวมๆคือโวหารโวหารแต่เป็นโวหารที่มีมีมีขันรองรับอยู่เพราะว่าโวหารทั้งหลายก็ต้องมีที่เรียกว่าต้องมีสิ่งเหล่านี้รองรับอ่ะไนหะมนั้นก็สงสัยเช่นเราเอาเราอ่ะนะเราก็เป็นโวหารเนี่ยนะเราก็เป็นโวหารในอดีตเราเคยมีหรือหรือไม่เคยมีถ้ามีแล้วจะ เคยมีและเคยเป็นอะไรมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นอะไรเนี่ย น, นะ ค, ย ค, ยคือพวกเนี้ยเป็นเหตุใกล้ของทิฏฐิพอคิดแบบนี้ปุ๊บมันดิ่งเลยพอพอคิดอย่างนี้ไปหน่อยเนะี่ยมันจะดิ่งเลยเพราะฉะนั้นวิจิกริชฌาจึงนำเกิดได้เนี่ย น, นะวิจิกริชฌาเนี่ยเจตนาตัวนี้นำเกิดนะเพราะเช่นว่าเรามีสงสยัยเรามีหรือเปล่าหรือว่าไม่มี เนี่ยไมีหรือไม่มีคุณธพาเอาละคำ ถ, ถามเดิมๆนี่แหละมีหรือไม่มีฮะเรามีมคุณ เ, เอาเอาคุณนายดีกว่ามีหรือไม่มีอดีตเนี่ยเรามีหรือไม่มีมีถ้ามีก็ศา ส, ะสะตะถ้าไม่มีก็อุเฉด ถ้าบางอย่างมีบางอย่างไม่มีนะเขาจะมีแบบกลุ่มเนี้ยถ้าบางอย่างมีบางอย่างไม่มีคเครียกว่าเอกัตจัสสตทิฏฐิบางอย่างมีบางอย่างไม่มีถ้าบอกมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่กลุ่มนี้ปะไหลอมาราวิเขปะจับไม่อยู่นะครับมันเลืน่นมันลืน่นพวกนี้เรียกว่าพวกปะไหลแต่ก็ถ้ามีบางอย่างเขาก็จับได้ปลาไหลเขามาต้มเยอะแล้วไม่ยากอันนี้ คือบอกว่าถ้าเรามีคือจริงๆอ่ะมันผิดตั้งกับแรกแล้วอะไรมันคือเราอ่ะใช่ไหมอะไรมันคือเราแต่ถ้าแยกสิ่งที่เรียกว่าเราเป็นขันอายตนะธาตุได้เบ็ดเสร็จแล้วนะโวหารว่าเราอ่ะถ้าคุยอย่างนี้มันจะไม่มีปัญหากล่าวโดยโวหารแบบรู้กันอ่ะนะก็ไม่มีปัญหาไอ้ปัญหาไม่รู้กันน่ะสิแต่สำคัญว่ามีเราอยู่จริงๆ ที่เราในะอดีตมีหรือถ้าไปแค่สงสัยอย่างนี้เป็นวิจิกิจชาแต่ถ้าบอกว่ามีสัสตตะเลยถ้าบอกไม่มีก็ก็อุเฉดอะหรือว่าบางอย่างก็มีนะบางอย่าง ก, ก, ก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นกลุ่มเอกะจะสัสตตะบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงอะไรหรือว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นะสงสัยในอนาคตก็จะลักษณะนี้ ต่อไปว่า เ, เราเราจะมีหรือเปล่าหรือว่าเราไม่มีหรือว่ามีหรือไม่มีถ้ามีแล้วมันจะไปเป็นอะไรต่อไปเนี่ยนะก็จะคิดจริงๆแล้วความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่เกิดจากโอโยนิสโสมนัิการเป็นความไม่ฉลาดคิดเนี่ยนะก็วิธีถ้าจะให้คิดควรคิดให้เป็นยังไงถ้าถ้าเราจะไม่ให้ไม่ให้ เ, เป็นเป็นไปกับอกุศลน่ะนะให้ฉลาดคิด ลังยกตัวอย่างเช่นเอาเป็นทาวารลองมาลองไล่เป็นทาวารไปว่าเอาทาวารไหนดีจังนิน่ๆ น, นะเช่นทาวารตานะคุณดีตากับรูปเกิดอะไรวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่บัสสะภัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาตรงไห น, นคือเราก่อนมีไม่ในส่วนเหล่านี้ว่าเป็นเราแล้วก็ไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็น เป็นเราอยู่แล้วใช่ไหมก็มีความเข้าใจที่ที่ถูกต้องแล้วอ่ะอันนี้ว่าว่าโดยขณะขณะไปถ้าถอยหลังไปอีกหน่อยก็คือการเห็นใช่เมื่อสองวันที่แล้วก็เห็นแบบนี้เมื่อสิบปีที่แล้วก็เห็นเมื่อเมื่อหลายหลายปีหรือหลายหลา ย, ลายสิบปีหรือชาติที่แล้วก็คือเห็นอ ย, อยู่ดีการเห็นตานี้ก็เกิดจากปัจจัยรูปก็เกิดจากปัจจัย อันนสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยแต่ว่าจะว่าสิ่งเดียวกันมันก็ไม่ใช่จะว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงมันก็ไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันตามเหตุและและผลที่ที่เป็นปัจจัยมันเหมือนกับร่างกายของเรานะอ น, นอาหารแต่ละมื้อที่เรารับประทานนะอาหารเช้าสายบ่ายเย็นเช้าอน้เนะชา้ากลางวันเย็น เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นอ่ะนะแต่ละมื้อมันก็สัมพันธ์สืบเนื่องกันไปลักษณะนี้ใช่ั้มที่ที่มาหล่อเลี้ยงร่างกายอ่ะนะมันจะว่าอาหารมื้อเดียวกันมันไปรวมกันทุกมื้อมันก็ไม่ใช่มันก็ค่อยทยอยเป็นไปลักษณะนี้ชีวิตของเราทั้งหลายก็แต่ละขณะแต่ละขณะที่เป็นไปก็ไหลมาจากปัจจัยถ้าในชาติสมมุติว่าจักสุตอนนี้เกิดจากปัจจัยเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมแล้ว ก่อนหน้านี้มาละกรรมได้หรื อ, อยังยังถ้าละกรรมยังไม่ได้กรรมก็เป็นปัจจัยแก่จักสุนะถ้าถอยหลังไปอีกสามชาติกรรมก็เป็นปัจจยัยแก่จกนนะั ก, ก, รร ก, จจ ก, จกสุถ้ายังตัดกรรมไม่ได้กรรมก็เป็นปัจจยัยแก่จักสุต่อไปกรรมก็เป็นปัจจัยแก่จักสุต่อไปก็อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าว่าโดยปรมาิแล้วมันก็มีแต่จักสุรูปจักขูวิญญาณภาษาและเวทนาที่เกิดจากปัจจัย แม้ปัจจุบันอ่านะอดีตทั้งหลายธรรมะเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยอนาคตต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยภายในก็เกิดจากปัจจัยภายนอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยแต่สิ่งเหล่านี้โวหารเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าใครอ่านนะคุณวินิจอย่างเงี้ยเขาว่าไปแล้วแต่จะเรียกชื่อไปคุณบุญมีอย่างเงี้ยนะว่าไป มาครับงั่นเองอันที่จริงอ่ะอันที่จริงนะฮะตาปัจจุบันกับตาในอดีตแม้แต่ถอยหลังไปเพียงนาทีวินาทีเดียวก็อันที่จริงก็คนละตาอยู่แล้วคนละปัจจัยคนล ะ, นละทีนี้กลมพวกที่วิจิกิจชานี่นะกลมเนี่ยเป็นกลมที่เขาเรียกว่าแบบปลาคูเปยยวนะรวบหมดเลยพอรวบหมดก็เริ่มฟุ้งอล้นะ พวกนี้คิดจนเดือดร้อนจนได้ะวันพวกนี้เขาบอกว่าเหมือนทางสองเพล่งเราเคยได้ยินว่าวิจิกิชฉาเหมือนทางสองเพล่งวันนี้ไปอ่านพุทธพจน์มาบอกว่าเหมือนทางเสือโคร่งว่างั้นมันจะสองเพล่งธรรมดานีมันแบบทางเสือโคร่งมันจะเอายังไงกันแน่นะกลัวอยู่เหว่ากันคิดไปแล้วก็งงๆอันนะว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกมาทุกๆทวารแบบนี้แล้วนะพอแยกชีวิตมาทุกๆทวาร พร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็อดีตสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยอนาคตก็เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะมันจะสมัยไหนก็ตามเถอะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยแต่ตาก็ไปคูณว่าพบไหนมีตาบ้าง น, นะพบสก็ว่าไปพบไหนมีตานะไรเดือนนรกเปรตสุรกายสับเบลฉานมันก็ตามสมควรแก่แก่เหตุผลเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจยุปันปัจจัยก็คือกรรมกรรมนําเป็นปัจจัยยังไงถ้ามีตาอย่างนี้แล้วรูปารมณ์ที่เห็นเป็นรูปชนิดไหน รูปเหล่านั้นจักขูวิญญาณเป็นกุศลหรืออกุศลวิบากเนี่ยนะถ้ามีการเรียนแยกแยะอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ถ้าคิดว่าเราเอเรามีหรือไม่มีถามจริงเราที่ว่ามันคืออะไรกันแนะ่นไปัจจุบันนี้ก็ค้นหาไม่เจออยู่แล้วแต่ก็ก็โดยทั่วๆไปนะพระองค์จะขึ้นต้นว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่เห็นธาตุริยะ ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะก็เอาละเริ่มแล้วตาคือเราตาคือเราเราคือตาเราคือตาแล้วตาในอดีตเราเคยมีหรือเปล่า <c oughs> น, น, นะก็ชักชักยุ่งแล้วนะเดือดร้อนแนละ้วมีอะไรอยู่ในตายมีอะไรอยู่ในตายกันนะมัน <c oughs> ก็สงสัยพวกนี้ถ้าปารพอดีตก็เป็นสงสัยอดีตถ้าปารลบอนาคตก็สงสยัยอนาคตบางเจ้าสงสัยทั้งอดีตและอนาคตที่สงสัยแบบนี้เนื่องจากไม่มี กรรมสกตาหรือที่เรียกว่าไม่รู้ปัจจัยกับปัจจยบันที่เรียกว่าไม่รู้เหตุรู้ผลว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรไม่มีการแยกแยะสิ่งเหล่านี้เลยกลุ่มนี้แหละที่เรียกว่าไม่ได้เรียนปรัตนามานีนะคือไม่ได้เรียนคําสอนมานั่นแหละทีนี้เอ่อถ้ายอมรับว่าอดีตอนาคตหรือปัจจุบันมีมันมีในฐานะอะไรมันมีในฐานะ ปฏิจจสมุปบาทแล้วผู้ที่สอนปฏิจจสมุปบาทคือใครเนไหมบอกว่าถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าตั้งกากแรกแล้วนะยิ่งมาคิดยิ่งยิ่งไม่เอาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบอกว่าผู้ที่สอนปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้เห็นความจริงอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าคําสอนว่าด้วยปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมนั่นแหละเรียกว่าเป็นพระธรรมูที่ปฏิบัติแทงตลอดสิ่งเหล่านี้คือพระสงฆ์เห็นไหม ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อแทงตลอดปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมเรียกว่าไตรศิขาพอเตือนไตรสิกขาอย่างนี้ถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทก็จะแบ่งแบ่งเป็นอะไรเป็นอดีตเหตุเห็นไหมปัจจุบันผลใช่ไหมอันนีปัจจุบันผ ล, ป, จจนผลปัจจุบันเหตุอันนีอนาคตผล ก็จะแบ่งชีวิตอย่างนี้เลยลนะ่ะก็จะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไปวัตตก็มีอยู่ก็อยู่อย่างนี้แต่มีอยู่ถามว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ใช่ไหมมีเที่ยงไหมไม่เที่ยงนั่ยนะเป็นสเอา้าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ละสิ่งที่เป็นทุกข์อย่างนี้นะไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยถ้าบอกว่า อันไหนเป็นเราล่ะอันไหนเป็นของเราหรืออันไหนเป็นอัตราของเราเพราะฉะนั้นถ้าตั้งหลักการไว้ว่าเที่ยงสุขอัตราหรือเรามันเป็นความคิดที่ผิดตั้งแต่เริ่มแรกไงแต่ก็มีกลุ่มที่สงสัยอย่างนี้แล้วก็บางพวกสงสัยก็ไม่ได้อยากจะรู้ว่าความจริงมันคืออะไรด้วยก็ไม่อยากเรียนอะไรก็สงสัยต่อไปก็สงสัยเสร็จคิดไปคิดมาอยาอยากอยาเกิดเลยว่าฉาดหน้ามันก่อนไปบินฑบาต เพื่อนเก่าคนหนึ่งก็ปั่นจักรยานตามมาข้างหลังเอาไปไงมาไงเขาก็าคุยไปเขามีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้แต่แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะถ้ามันตานยแล้วนะเขาจะอยากหลับสนิทไปเลยเขาว่ากันเขาไม่อยากเกจดอีกแล้วเขาพอแล้วเขาเบื่อเต็มทีแล้วเขาว่ากันแค่นี้แหละแล้วเขาก็จากไปไปทําทุจริตต่อ hmm. อยากอย่างเดียวมันจะพอที่ไหน เพื่อนหมอยุพินก็เหมือนกันกเขาก็ไม่อยากเกิดแล้วแต่เขาก็ดูทีวีรับทั่วไปอะไรไปแต่ว่าเขาไม่เกิดแล้วนะประมาคือเมื่อกี้นี้ท่านท่านพระอาจารย์แสดงชักขัดักขสูตรนะในในสามการมันก็เกิดคือการในอดีตนะตาก็เป็นอย่างนี้รูปก็เป็นอย่างนี้นจากหูวิญญาณก็เป็นอย่างนี้พอมาอีกปัจจุบันนาการตาก็เป็นอย่างนี้รูปก็เป็นอย่างนี้ จะขู่วิญญาณก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มาจากคนละปัจจัยมาจากคนละกรรมมาจากคนละอาหารมาจากคนละอุตุกมาจากคนละจิตเมื่อแสดงอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็จะทําให้เห็นว่าที่ว่าตาไม่ใช่ของเราที่ว่าเอตังมะมะเอโซมหาสมิเอโซเมอตตาติเนี่ยมันเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยว่าเราไม่ควรไปยึดว่าตาเป็นของเราและไม่มีไม่มีอะไรอยู่ในตา อันนี้อันนี้เห็นชัดเลยว่าบอเข้าขันสูงแต่ว่ามันเป็นไปตามปัจจัยข้งวันเราเห็นชัดเลยถ้าแสดงเ e. อกัตตนัยว่าโอโ้มันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนะกับนานัตตาในาถ้าแสดงเ e. อกัตตนาเนี่ยเพื่อละที่เรียกว่าสัสะ น, นะเนนะละมิจฉาทิฏฐิถ้าแสดงเป็นนานัตตะมันเป็นสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลนะละอุจเฉต ถ้าแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ยมันไม่ได้มีนะมันเป็นอัพยาปาระนะมันเป็นเป็นตาเหตุตามผลองมันอ่นะก็พวกละมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายและสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเอวังธรรมตาก็คือธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละเนีย่ยนะลักษณะนี้เพื่อให้เข้าใจนัยยะนะเพื่อละมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายแหลนะเนี่ยก็นัยยะสี่แล้วเนี่ย คือคือที่ยกมานี่นะก็อยากจะให้เห็นว่าผู้สสที่อ่านคมภีร์จะเห็นข้อความเนี่ยมากคือว่าเราเป็นนั่นนั่นเป็นเราเราเป็นอัตราของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเยอะจริงเพราะเตือนอยู่เรื่อยเที่กยูเรื่อถามอยู่เรื่อยนั่นๆไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ อ, อัตราของเราอ่ะนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้กเ <S <S ็เป็นไปตามปัจจัยนั่นแหละแต่สิ่งที่ตามปัจจัย <simplesmente S 2> ทั้งหลายแหลก็สังกตังก <girl. S 3> ็ต่อด้วยอะไร ปฏิจจธรม ร, ม, ร, ม, ม, รมังนะขยะธรรมังวยะธรรมังวิปริณามะธรรมังเนี่ยนะพรานี่โรธาธรรมังคือสิ่งเหล่านี้ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นไม่เที่ยงเนี่ยนะทีนี้ถ้าไอการคข่ควรวญทั้งสิ่งเหล่าเนี้เพื่ออะไรเพื่อเบื่อหน่ายจากสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าเบื่อหน่ายในวัฏะเมื่อเบื่อหน่ายจิตย่อมคลายกำหนัดเนี่ยนะถ้าคลายกำหนัดในวัฏะเนี่ยก็รู้แล้วว่าปัจจัยที่จะเพื่อให้ก่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเส้นลนะเพราะอะไรเพราะเหตุ คือหมายว่าสิ่งเหล่านี้มันอาศัยได้เย็บติดกันใช่ไหมได้คือตันหามันจะเย็บระหว่างภพกับภพบเอาไว้กรรมกับผลของกรรมเอาไว้ถ้าตัดตันหาหรือว่าตัดเรียกว่าวิราคะเรียกคลายกําหนัดเนี่ยนะถ้าสำรอกตันหาได้โดยไม่มีส่วนเหลืออย่างนี้นก็ตัดตัดปัจจัยให้มันไม่สืบต่อกันถ้าหากว่าตัดปัจจัยที่ทําให้สืบต่อกันได้ผู้นั้นแหละที่เรียกว่าผู้ที่ทําที่สุดแห่งทุกได้คือผมแสดงเมื่อกี้นี้ยกมาให้ใหเห็นเนี่ยนะ เพื่อที่จะมาเปรียบเทียบดูว่าไอการปฏิบัติธรรมประเภทที่เรียกว่าเมื่ออารมณ์ปรากฏเช่นเช่นแข็งเนี่ยแข็งเนี่ยแล้วพิจารณาว่านี่มันไม่ใช่ตัวตนนั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยมันคนละเรื่องไม่ได้แสดงปัจจัยไม่ได้แสดงอะไรเลยแสดงว่าเออนี่ยแข็งพิจารณาดูนะนี่คือแข็งแข็งนี่เป็นสภาวะธรรมเป็นปรมาทธรรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเราเราไม่ควรเป็นนั่นนั่นไหนเป็นเราเราเนี่ยมันมันคนละเรื่องไม่ได้แสดงอะไรเลยหยาบมากไม่รู้เรื่องเลย ไม่ใช่คำภีนี่ผมอยากยกให้ตัวอย่างให้ฟังประสาธชนทานครับกรับนักปฏิวัติพร้อมการพร้อมแล้วครับอ่าปริว่านี้แปลว่าการอยู่อยู่ประพฤติตามวินัยของพระภิกษุเนี่ยนะคือแปลมารักษาศีลเพิ่มอีก8 9ดเข้อเนี่ยนะอ่าคำก็ ก็อยู่ที่แล้วแต่วัดไหนที่ท่านสามารถชำระได้เพราะว่าพระที่ที่เป็นพระปริวาสเนี่ยนะท่านก็จะไปขอส่งว่าท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้าต้องอาบัตสังฆาธิเศตรายตัวอย่างเ้นนะเพราะอาบัตอะไรก็ว่าไปเช่นอาบัตกายสังสักคะคือไปจับผู้หญิงมาอย่างน้นนะไปจับต้องกายหญิงมาด้วยความกำหนัดแล้วก็ อาบัตเนี่ยข้าพเจ้าต้องหลายตัวรู้ที่สุดอาบัตไม่รู้ที่สุดราตรีอะไรเงี้ยนะก็ว่าไปตามที่ที่เป็นอ่ะนะว่าตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นข้าพเจ้านั้นได้ขอปริวาสแก่สงฆ์มันก็ขอให้สงฆ์ให้ปริวาสแก่ข้าพเจ้าทีนี้เขาก็พระพิสุก็จะสวดยติจตุส ก, กรรมเหมือนบทให้เลยเหมือนบท ว, ว่าประกาศขึ้นท่ามกลางสงฆ์ว่าพระพิสุรูปนี้ไปเป็นอย่างนี้มาประกาศย้ําอยู่สี่ครั้งอันนัเสร็จแล้วก็ พอสงยอมรับว่าอ่ะอนุมัติว่าถือว่าให้ปริวาสพิสูรูปนี้อ่พิกษุนั้นก็เรียกว่าปริปริวาสเนี่ยนะพิกูุผู้ประพฤติปริวาส ท, ทีนี้พอประพฤติปริวาสเสร็จท่านก็มีวัด ท, ที่จะต้องประพฤติเพิ่มเช่นมีพระภิกษุมามาวัดนะมาในที่ท่านอยู่ท่านเห็นท่านต้องไปบอกว่าท่านผู้เจริญหรืออาวุโสข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้น ะ, <c oughs> ะนะก็ต้องไปเล่าให้ฟังอ่ะนะที่ที่เคยเป็นอ่ะก็ ต้องบอกอย่างนั้นนะก็บอกอย่างเนีน้ถ้าถ้าไปที่อื่นไปเห็นใครก็ต้องบอกอเห็นพระพิสุต้องบอก mm hmm. เว้นไว้แต่เก็บวัดไม่แล้วแต่ถ้าอยู่ระหว่างประพฤติวัดก็ต้องบอกถ้าเป็นอุปชาจารย์ก็ช่วงนั้นก็ยังให้นิสัยไม่ได้ให้บวชไม่ได้นะก็คือรักษาศีลเพิ่มอีกประมาณแปดสิบข้อเนี่ยนะเ mm hmm. สร็จแล้วพออยู่เท่าที่วันที่ปิดไว้แล้วก็ประพฤติมานัดไปขอใหม่ว่าตอนนี้ข้าพเจ้าประพฤติปริวาส ต, ตามที่ปิดไว้เสร็จแล้ว มาขอมานัตนะนะก็สวดให้มานัตอีกหกราตรีอันนะั้นก็ประพฤติเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ต้องบอกทุกวันอีกเลยอีกหราตรีพอครบเบสเสร็จอย่างนี้แล้วก็หมู่ภิกษุคณะยี่สิบจะพึงมีณนะสีมาใดก็ไปอพานที่สีมานั้นอพารแปล ว, ว่าให้ไปเรียกเข้าหมู่ที่นั้นอันนะก็ต้องไปหาเพื่อภิกษุสียี่สิบรูปเนี่ยนะ ไม่นับตัวเองเนะนับที่สูที่ธรรมดาทั่วไปต้องยี่สิบรูปยากกว่าบวชก็ต้องไปหาวัดที่เขามียี่สิบรูปเนี่ยนะให้ก็มาสวดอย่างนี้เล่าเท้าความมาอยู่ปริวาสเสร็จแล้วประพฤติมานัดเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสงพร้อมแล้วก็เรียกที่สูนี้เข้าหมู่เนี่ยนะก็อ้าวก็มาเป็นปกติตะตามเดิมเนี่ยนะแต่ก็มีที่เขาเป็นแล้วเขาก็บางวัดก็เอื้อเฟื้อเรื่องนี้โดยตรงเลยนะก็สงเคราะห์พระที่ที่เป็นแบบเนี้ยนะก็มีหลายวัด แต่ยินดีที่จะให้พระเหล่านั้นแก้ตั ว, ตวดีกว่าไปหมักหมมเอาไว้เนี่ยนีก็เอา้ามาอยู่ปริวาสไปมันเต้นไปแล้วจะไปทําอะไร <un> เหมือนกันนี่มันมีหนี้ไปแล้วก็ใช้ไปอะไรไปก็ว่าไปตามนั้นจะไปตีโพยดีพยายยังไงแต่ก็เป็นการแก้ที่แยบยนนะครับพูดถึงว่าเราทําบาปแล้วทําผิดแล้วก็ไปไปไปสารภาพกับผู้ใหญ่อัเนี้อันนี้ไปสารภาพกับเพื่อนดีถ้าอย่างนี้เ้าเรียกว่าทํากระสงเลย ไม่ใช่ว่าใครผู้ใดผู้หนึ่งจะมีอํานาจให้ได้อันนี้ระบบสงฆ์เป็นคณ ะ, <น>ะเป็นเรื่องต้องต้องสี่รูปขึ้นไปตอนอับพาลต้องยี่สิบรูปเห็นมะ<ล>เป็นที่ทำมันอยู่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นไหมก็ก็มีหลายกลุ่มเห็นไหมก็ที่ที่ทําอย่างถูกต้องก็มีที่ทําแบบประเพณีวางไว้ก็มีแล้วทำแบบสวดสวดไปโดยที่ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นก็มีใช่ไหมก็ก็เหมือนกระบวด่ดแบบไม่รู้เรื่องก็มี รรแต่ที่จริงแล้วควรจะพูดเป็นภาษาที่รู้เรื่องเลยใช่ไหมว่าข้าพเจ้าได้ทาผิดนี้มาแล้วนะัไปจับต้องหญิงมาโดยเจตนาเขาก็<ๆ>บางทีก็บอกเป็นภาษาไทยก็ได้บอกเป็นภาษาบาลีก็ได้ก็บอกไว้ทั้งสองอย่างว่าบอกเป็นภาษาไทยก็ได้คือบอกเป็นภาษาบาลีก็ได้ภาษาอื่นก็ได้ บ อ, บอกเป็นภาษาบาลีดูสิจะไม่เคยอายนะคคือคือบางคนเนี่ยนะก็มันก็มันก็ชาตั้งกับเป็นแล้วไง น, นะพอรู้ตัวก็ก็บางคนนี่พอรู้ตัวว่าเป็นปั๊บก็ร้องไห้ละะไม่ไหวแล้วนึกถึงภาพข้างหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นม้างนะจะไปหาพระยี่สิบที่ไหนเนี่ยมันก็ต้องรอจังหวะนะก็ก็มีหลายวัดที่เคยเอื้อเฟื้อพระพิสูจน์เหล่านี้เนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่เคยเป็นนี่ก็จะทราบซึ่งดีว่าออื แต่ว่าเป็นแล้วก็เขาเป็นนี่กันแหละเพราะมันมีตั้งสิบสามข้อนะไม่ได้มีข้อเดียวอะนั่นไงพวกอคุศนวิตกกลุ่มรุมมากๆอะเดี๋ยวเอาอีกแล้วเดือดร้อนอาจารย์อีกแล้วเหมือนกันก็ไหนอ๋อเขาเขาเป็นวัดอ่ะนะเป็นกรรมวาจาสวดของเรื่องนั้นเลยเป็นเรื่องๆเขาแต่งขึ้นอนนั่นะง สังสุนาตุเมพันเตสังโคขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าก็ว่าไปตามหลักของธรรมนี่นายเนี่ยนะแต่ถ้าผู้ที่ทำแล้วก็พอทำเสร็จก็สบายใจนะก็ทาเสร็จแล้วก็สบายใจทีนี้ก็มีผู้ที่คือพระที่ที่จะให้กรรมวาจาอะไรเหล่านี้นะก็ต้องเป็นพระที่มีพันสา ม, มากหน่อยแล้วก็ คือมีบุญหน่อยนะมีบริวารมีพระพิสุที่ที่บอกร้องได้อะไรได้ยังไงนะต้องผู้ที่มีบุญหน่อยนั่นนะอย่างเมื่อก่อนท่านจามบุญเลิศ ก, ก็รับเอื้อเฟื้อเรื่องนี้ไหมก็มีพระมาอยู่แก้ตัวเยอะนั่นนะเขาก็อ น, นั้นก็จัดแบบประเพณีทั่วไปนั่นน ะ, ะนก็มีมีพิธีทําตั้งตั้งหลายรูปแบบนนอนะแต่ว่าอันนี้พูดโดยเนื้อหาแบบสรบุปสรุปมันนะ ผู้ต้องการรายละเอียดก็ไปอ่านเอาเล่มเจนะ็ดในนข้างหลังกันนะตู้ข้างหลังอนะ่ะเล่ม7็ดสีน้ำตาลนะสีน้ำเงินอะ่ะนะชื่อว่าปริวาติขันธกะกับสมุจยะขันธกะมีสองขันธกะสองเรื่องอ่ะนะที่พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าสาเหตุโน่นอยู่ที่พระวินัยเล่ ม, ลมที่ 3, นะสามมันะอับบาสังคาธิเศตเหตุอยู่ที่นั่น<ม>เหตุอยู่ที่เล่มสามแก้ที่เล่มเจ็ดเล่มแปดเนี่ยนะแกโดยเฉพาะแก้ที่เล่มแปด ทีนี้ถ้าเป็นแล้วมันเป็นซ้อนระหว่างเป็นเนี่ก็โอ้เรื่องใหญ่แล้วนะมันก็อย่างนี้แหละมีให้เห็นเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ดีละที่ที่ทำคืนนะ่นะแต่ว่าเราผู้ที่ระหว่างเป็นโดยมากก็ไม่ค่อยสบายใจอ่ะนะมันเหมือนแบาพูดภาษาเราคุ้นๆกันก็นกคือหนี้สินมันรับตัวมากอ่ะนะมันมันไม่ไหวอะ่ะมันเครียดอะ่ะนะ Uh, ค, <evaluation> คือก็ก็แค่ ว, ว่าหมักหมมเอาไว้เรื่อยๆใช่ไหมก็ในเทระกถาที่อ่านบอกว่าถ้าถ้ายิ่งปิดก็ยิ่งยิ่งเน่าอ่ะนะสํานวนเราอ่ะนะว่ายิ่งปิดก็ยิ่งเน่าอ่ะคืออบัต ท, ทั้งหลายเนี่ยถ้ายิ่งปกปิดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้ารีบแก้ตัวซะก็ก็แก้ได้แต่หลายๆรูปก็คืออาจจะเป็นมาหลายครั้งแล้วนะถ้าเป็นมาหลายครั้งก็มารวมกันทีเดียว แต่ไม่ใช่ไปทําให้เต็นมากๆแล้วจะได้รวมกันทีเดียวมันใช่ยางงั้น <c oughs> แต่ก็มีคนที่เรียกว่าชา้าๆอยู่เหมือนกันก็ทําอย่างนั้นก็มีบ้างแต่ว่าบางคนพอเป็นบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็พ่อแม่ก็ยังมีที่ทํากินก็ยังใช้ได้ก็เอาแล้วกันนี่คิดสั้นละอันนี้การจัสินคืออะไรครับคืออาริยะแปลว่าพระอริยะนะการตาแปลว่าพอใจหรือรัก กันตะเนี่ยนะแปลว่ารักนั้นศีลที่พระจ้าพระริยเจ้าท่านรักมากเนี่ยนะคือศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่ไม่ทะลุแปลว่าบริสุทธิ์ตลอดเลยเนี่ยนะยแล้วก็ศีลนะเรียอริยการตะศีลแล้วเป็นศีลที่เป็นตันหาและทิฏฐิไม่จับต้องเป็นบาศอย่างดีของวิปัสสนาะนนะเป็นบาศอย่างดีของการเจริญวิปัสสนาอของสมาธิของการเจริญสมาธิเนี่ยนะ เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลลักษณะนี้เรียกว่าอริยาการศีล